ตอนที่สิบวักที่หอุปมาช้างพระที่นั่งขอถวายพระพรเมื่อมหาบาพิตรขึ้นประทับนั่งบนคอช้างพระที่นั่งมีผู้ใดผู้หนึ่งนั่งบนคอของพระองค์บ้างหรือไม่ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าหากใครขึ้นนั่งบนคอของโยมผู้นั้นจะต้องหัวขาด ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละมหาบาพิตรไม่มีผู้อื่นจัดการอุปสมบทให้พระพุทธเจ้าถ้าผู้ใดจัดการอุปสมบทให้พระพุทธเจ้าศีรษะของผู้นั้นต้องหลุดไปจากคอทันทีเมื่อกี้นี้มหาบาพิตรถามอาตมาภาพว่าพระพุทธเจ้าอุปสมบทด้วยสง์นั่งหัดถาทเท่าไหร่อย่างนั้นหรืออย่างนั้นพระผู้เป็นเจ้า ขอถวายพระพรพระพุทธเจ้าไม่ได้อุปสมบทด้วยสง์แต่มีมรึกกับผลเท่านั้นที่เป็นสง์ข้อนี้สมกับที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าพระอริยบุคคลสี่เหล่าคือผู้ตั้งอยู่ในมรกสี่ผลสี่ผู้มั่นอยู่ในปัญญาและศีลเป็นสงผู้ตรงแท้ แต่บุคคลบางเหล่าต้องอุปสมบทด้วยสงาาศ์นาอัศจรรย์พระนาคเษนพระผู้เป็นเจ้าได้แก้ปัญหาอันละเอียดยิ่งอันไม่มีส่วนเปรียบได้แล้วข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าอุปสมบทเป็นของดีหรือขอถวายพระพรอุปสมบทเป็นของดีข้าแต่พระนาคเษนการอุปสมบทของพระพุทธเจ้ามีอยู่ หรือไม่มีขอถวายพระพรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อุปสมบทด้วยความเป็นพระสัพพัญยูที่ภายใต้ไม้สีมหาโพแล้วไม่มีผู้ให้อุปสมบทแก่พระพุทธเจ้าเหมือนกับพระพุทธเจ้าทรงให้อุปสมบทแก่สาวกเลยแกถูกต้องดีแล้วพระผู้เป็นเจ้า